เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทะกรณุณนชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านทั่วไปจะเรียกกันว่าเปรต เปรตนั้นในพจนานุกรมฉบับ ต, ต่างๆกล่าวถึงเปรตพอรวมเป็นความได้ว่าเป็นสัตว์พวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิแปลว่าแดนดินแห่งความทุกข์เป็นผีจำพวกหนึ่งมีหลายชนิดรูปร่างสูงโย่งย่งกับต้นตาลผมยาวคอยาวผอมโซพระอดอยากมีปากเท่ารูเข็มมีมือโตเท่าใบลานกินเลือดและหนองเป็นอาหาร เสียงร้องดังกรีดกรีดและแหลมในหนังสือไตรภูมิพระร่วงพนาณาเกี่ยวกับเรื่องเปรดเอาไว้ว่าบางจำพวกอยู่ในมหาสมุทรบนยอดเขาตามไหลเขาแต่บางจาพวกก็อยู่ในปราสาสมีช้างมา้าเป็นข้าทาสบางจำพวกเวลาข้างแรมเป็นเปรตเวลาข้างขึ้นเป็นเทวดาและอีกมากมายอันนี้ก็ละแต่บุญกรรมที่ได้กระทำเอาไว้เหตุที่ทาให้เกิดเป็นเปรตได้นั้น ก็คือการที่มนุษย์ทั้งหลายจะได้ไปเกิดเป็นเปรดเสวยความทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากได้รับความกระหายอย่างแสนสาหัสนั้นก็ใช่ว่าจะต้องไปเกิดเองโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรการที่มนุษย์ทั้งหลายจะต้องไปเกิดเป็นเปรดนั้นมีชีวิตอยู่ในอาบียภูมิหลังจากละโลกไปแล้วก็เพราะมีเหตุปัจจัยหรือปฏิปทาอันอย่างสัตว์ให้ไปถึงเปรดนั้นได้แก่อกุศลกกรรมบทกล่าวคือความชั่วที่ทําไว้โดยทางกาย วาจาใจเช่นเดียวกับเหตุปัจจัยอันปฏิปทาให้ไปสู่นรกตามที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันแต่เพื่อให้เข้าใจได้อย่างแม่นยำจึงจะขอนำเอาอากุศลกรรมบทมากล่าวดังนี้อากุศลกรรมบท1ิประการกายกรรมหรือการทำบาปทางกายมี3วิธีคือ 1. ค่ฆ่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในกรรม วจีกรรมหรือการทำบาปทางวาจามีสคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมนโนกรรมหรือการทำบาปทางใจมีสคือโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากครองธรรมเมื่อผู้ใดประพฤติอกุศลกรรมรบทส0ประการนี้ผู้นั้นชื่อว่า ได้นำตนเดินไปตามปฏิปทาทางไปสู่โลกของเปรตแล้วและเมื่อเขาขาดใจตายไปจากโลกมนุษย์นี้หากว่าอากุศลกรรมนั้นสามารถนำเขาไปสู่นิระยะภูมิคือโลกนรกได้เขาก็จะต้องไปเสวยทุกทโทษอยู่ในนรกก่อนพอสิ้นกรรมพ้นจากนรกแล้วเศษบาปยังจะมีจึงจะไปเกิดเป็นเปรตต่อในภายหลังนี่คือเปรตจาพวกหนึ่ง อีกจำนวกหนึ่งนั้นมีอกุศลกรรมบางเบาไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปตกนรกก็ไม่ต้องไปผ่านแดนนรกแต่จะตรงไปเกิดที่โลกเปรตทันทีเลยซึ่งในกรณีหลังนี้มีข้อที่ควรทราบไว้ดังต่อไปนี้เมื่อมนุษย์ผู้มีจิตไม่บริสุทธิ์ประพฤติอกุศลกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นการนําตนให้เดินไปตามทางปฏิปาทาไปสู่เปรตวิสัยแล้วในขณะที่จะขาดใจตายจากมนุษย์นั้นไปผุดไปเกิดเป็นเปรตนั้น ย่อมจะมีเหตุการณ์อันแสดงว่าตนจะได้ไปเกิดเป็นเปรตแน่ๆคือคตินิมิตซึ่งบ่งบอกถึงคติแห่งโลกเปรตที่ตนจะต้องไปเกิดเช่นบางทีให้เห็นเป็นหุกเขาหรือถ้ำอันมืดมิดเป็นสถานที่เงียบวิเวกวังเวงและปลอดเปลี่ยวบางทีให้เห็นเป็นแกลบเป็นข้าวรีบมากมายให้รู้สึกหิวโหวยอาหารและกระหายน้าเป็นกาลังบางที ก็ให้เห็นเป็นน้ำเลือดน้ำหนองน่ารังเกียจสอิสเอียนยิ่งนัดและให้เห็นว่าตนได้ดื่มกินน้ำเลือดน้ำหนองเหล่านั้นเป็นอาหารภาพเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจำแจ้งในมโนทวารคือทางใจจิตยึ ด, ดเหนี่ยวไว้เป็นอารมณ์เมื่อดับจิตตายลงในขณะนั้นก็น้อมนำไปเกิดในทุกขติภูมิคือเกิดเป็นเตรตต้องเสวยทุกขเวทนาตามสมควรแก่กรรมชั่ว ที่ตนได้ทําไว้เพราะคตินิมิตเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้รู้ว่าเขาผู้นั้นจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนและเมื่อเขาได้ไปเกิดเป็นเปรตแล้วเป็นอันแสดงว่าเขาผู้ประพฤติอกุศลกรรมซึ่งนําตนเดินไปตามปฏิบาทาทางไปสู่เปรตอสุรกายได้บรรลุถึงถิ่นที่ต้องไปอย่างเที่ยงแท้แล้วเปรติวิยญสภูมินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับต้นไม้ในพื้นที่อันไม่เสมอ มีใบอ่อนและใบแก่โปร่งเบามีร่มเงาอันโปรง่งเป็นสถานที่ที่ไม่น่ารื่นรมเพราะแห้งแล้งเต็มไปด้วยความทรมานเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งประพฤติอกุศลกรรมนำชีวิตของตนไปทางอากุศลกรรมนั้นผู้นั้นชื่อว่าได้นำตนไปสู่ปฏิปทาทางไปสู่ต้นไม้แห่งความสุขสบายไม่ได้ซึ่งก็คือเปรตติวิยะภูมินั้นอย่างแน่นอนหากลองย้อนกลับมนึกถึงตัวเราบ้าง เราท่านทั้งหลายผู้มีโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้เมื่อได้รับฟังคําชี้แจงคําบอกเล่าจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพยานอันวิเศษสุดของเราเช่นนี้แล้วการที่จะงมงายประพฤติอกุศลกรรมอันเป็นบาปหยาบชา้าลามกทั้งหลายเต็มไปด้วยความดือ้อรั้นเพราะอํานาจแห่งทิฏฐิมานะไม่เชื่อมั่นในคําของพระพุทธองค์และก็เดินเซซังไปสู่ดินแดนแห่งต้นไม้แห้งกรโหน ที่มีแต่ความแห้งแล้งทรมานคือแดนเปรตอสูรกายนั้นย่อมเป็นการไม่สมควรดังนั้นควรนำตนหลีกออกจากทางอันชั่วช้าเร็วสามนั้นเสียโดยเร็วก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปจากตรงนี้จะเล่าถึงตำนานของผีเปรตบ้างนะครับผีเปรตในตำนานผีไทยกล่าวไว้ว่ามีอยู่12ตระกูลใหญ่ๆโดยย่อๆมีดังนี้กาลครั้งหนึ่งยังมีประเทศแห่งหนึ่ง ในป่าหิมพาน์ชื่อว่าวิชาตประเทศสถานที่ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งนรกขึ้นมาอันเป็นที่อยู่แห่งเปรตทั้งหลายมีมหิตธกาเปรตเป็นอธิบดีแก่เปรตทั้งปวงและตระกูลเปรตนั้นมีอยู่สิบสองตระกูลคือ 1. วันตาสาเปรตตระกูล 2. กูกูรปขาทะเปรตตระกูล 3. คูทขาทเปรตทักกูล 4. อักิชาละมุกเปรตตกูล 5. สุจิมุกเปรตตกูล 6. ตันหาชิตาเปรตตกูล 7. นิชามกะเปรตตกูล 8. สัตตังคาเปรตตกูล 9. ปัพผะตังคาเปรตตกูล 10. อชชะครังคาเปรตตกูล 11. เวมานิกเปรตตกูล 12. มหิตธิกาเปรตตกูล นอกจากเปรตสิบตระกูลนี้แล้วยังมีเปรตอีก19จําพวกได้แก่ 1. สุจิโรมาคือเปรตผู้มีขนเป็นเข็ม 2. อคุระโลมาคือเปรตผู้มีขนเป็นกรด 3. เอกปาทาคือเปรตผู้มีเท้าข้างเดียว 4. อนเนกปาทาคือเปรตผู้มีเท้าจํานวนมาก 5. เอกหัตถาคือเปรตผู้มีมือข้างเดียว ออหอเนกขตถาคือเปรตผู้มีมือมากเจ็ 7. เอกเจตตาคือเปรตผู้มีจักษุข้างเดียวหมายถึงมีตาข้างเดียวแ อ, น เ, อเนกเนตตาคือเปรตผู้มีจักสุมากมีตามากมาย 9. ก้าได้แก่เปรตจำพวกที่กินมนทินคันเป็นอาหารสิบได้แก่เปรตจำพวกขนอยักเยื่อทูลศีรษะไว้เป็นนิดสิบเอ็ด ได้แก่เปรตจำพวกกายยาว25เส้นนอนกลิ้งอยู่ดุดแผ่นศิลา 12. ได้แก่เปรตจำพวกตัวจมอยู่บนภูเขาพิงสะเอลมีไฟไหม้อยู่ 13. ได้แก่เปรตพวกไถนาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน 14. ได้แก่เปรตจำพวกมีกายสูงมีกลิ่นตัวเหม็นยิ่งนัก15ได้แก่ เตจจำพวกมีพืชเป็นเหล็กเป็นเปลวเพลิงรัศศีษะอยู่16ได้แก่เตจจำพวกมีร่างกายผอมและเปลือกกายอยู่ตลอดเวลา17ได้แก่เตจจำพวกรูปชั่วตัวผอมสะพั่งไปด้วยเส้นเอ็นศีษะกล้วไปด้วยฝุน่น18ได้แก่เตจจำพวกดำดุดต่อไม้ไหมและ19ได้แก่ เปรตจำพวกสูงเท่าลำตาลมีแต่หนังหุ้มกระดูดและแยกออกมาเป็นเปรดที่ไม่สมประกอบอีก4ชนิด 1. ได้แก่เปรตชนิดที่มีรูปร่างไม่สมประกอบร่างกายสู้ผอมอดโซ 2. ได้แก่เปรตชนิดที่มีรูปร่างพิการเช่นกลายเป็นอย่างของร่างมนุษย์แต่ศีรษะเป็นอย่างของสัตว์เดรัจฉานเช่นตัวเป็นคนหัวเป็นนกเป็นกาบ้าง เป็นสุกรบ้างเป็นสุนัขบ้าง 3. ได้แก่เปรตชนิดที่มีรูปร่างพิกลสเสวยก ร, รมมกรซึ่งก็คือได้รับกรรมอาญาอยู่ตามลําพังด้วยอํานาจบาปกรรมที่ได้กระทําเอาไว้สมัยเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ 4. ได้แก่เปรตชนิดที่มีรูปร่างอย่างมนุษย์เป็นปกติแม้เป็นผู้สเสวยก็มีวิมานอยู่แต่ในราตรีต้องออกจากวิมานไปสเสวยกรรมจนกว่าจะรุ่งเช้า เรียกว่าวิมานนิกเกเตเปรต เ, เป็นผีจำพวกหนึ่งซึ่งเคยทําบาปสร้างกรรมเอาไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่และเมื่อครั้นตายลงก็ต้องมารับผลกรรมตามที่ได้สร้างาไว้ทําให้ต้องมีความเป็นอยู่อย่างอดอยากผอมโซส่งเสียงร้องหรือปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นเพื่อขอส่วนบุญให้ช่วยทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้บ้างเพราะอดอยากหิวโหวยเสื่อเกินโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า เปรีเป็นผีชนิดหนึ่งที่มีลมตัวสูงเท่ากับต้นตาลสูงเท่าต้นตาลหรือยอดตาลบางก็ว่าสูงเท่าเสาชิงช้าวัตสุทัศน์บางก็ว่าสูงเท่ายอดทงหากเป็นสมัยนี้ก็คงต้องเปรียบเทียบไปเห็นภาพกันใหม่ว่าสูงกว่าตึกหชั้นหรือสูงเท่ากับคอนโดสรุปใจความก็คือเปรีเป็นผีที่มีรูปร่างสูงมากจนมีคําพูดติดปากล้อใครๆที่ตัวโยงว่าสูงยังกับเปรี แต่เนื่องจากกรรมหรือการกระทำในทางชั่วร้ายที่มีแตกต่างกันไปเมื่อตายแล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเปรตชนิดต่างๆเช่นที่คนชอบดูดาตบตีพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็จะต้องไปเกิดเป็นเปรตจำพวกที่มีปากเท่ารูเข็มมือโตเท่าใบพายหรือใบลานอดจากและหิวหัวอยู่เป็นนิดเราคิดดูถ้าหากใครเกิดมามีปากเท่ารูเข็มเวลาจะกินข้าวก็ต้องเอายัดเข้าปากปทิละเม็ดมันแสนจะทรมานทรกรรมขนาดไหน เป็นคำขู่หรือเป็นคำเตือนสติของคนโบราณให้ลูกหลานมีความกระตัญยูให้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ชราและไม่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจหากใครขืนเป็นอย่างที่ว่ารวมทั้งเกกเมเรเกเรชาวบ้านก็จะพากันด่าประนามว่าไอ้เปรดคนที่ชอบฆ่าเป็ดฆ่าไก่ตีไก่เชือดหมูเชือดวัวอยู่เป็นอาจินเวลาตายไปแล้วอาจจะต้องไปเกิดเป็นเปดประเภทตัวเป็นคนหัวเป็นไก่หรือหัวเป็นหมู ใครทำกรรมเอาไว้อย่างไรก็จะได้รับผลกรรมอันตอบสนองฉะนั้นเปรตอาจจะมีหลายชนิดหลายจาพวกใครอยากเห็นก็ลองดูรูปปั้นเปรตชนิดต่างๆได้ที่วัดไผ่โรงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีเปรตมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามประเภทและเผ่าพันธุ์รวมทั้งคติความเชื่อที่บอกต่อหรือสืบทอดกันมาบางตำรา บ, บอกว่าอาศัยอยู่ตามวัดคอยปรากฏตัวหลอกหลอนหรือแสดงร่างให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญ บ้างว่าอยู่ตามท้องทุ่งตามทางเปรียวใครไปเที่ยวดึกๆ ก, กลับบ้านเดินคนเดียวผ่านสาราวัดหรือตามทางแยกอาจจะเจอเปรตเดินตามหลังมาส่งถึงบ้านหรือเดินเป็นเพื่อนมาตลอดทางซึ่งหากเจอเปรตก็ไม่ต้องตกใจกลัวอะไรวิ่งลูกเดียวหรือถ้าหากว่ามีผีเปรตหรือผีชนิดใดก็ตามขวางหน้าราอยู่โบราณว่าอย่าวิ่งหันหลังกลับเพราะจะโดนมันดักหน้าให้วิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งฝ่าไปเลย โบราณเขาเตือนไว้อย่างนี้เปรตกินอะไรเป็นอาหารก็คงไม่ต้องบอกเพราะไม่รู้เหมือนกันนอกจากว่าจะมีความเชื่อกันว่าเวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพวกเปรตก็จะมารับส่วนบุญจากลูกหลานได้กินอิน่มมีพีมันไปมื้อหนึ่งคราวหนึ่งไม่อย่างนั้นก็อดอยากหิวโหวยนอกจากพวกอาหารขาวหวานแล้วบางทีลูกหลานก็จะถวายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อให้ผียาดยาิของตนไม่ต้องโป้หรือเปลยกายล่อนจอนหากไม่มีญาติหรือลูกหลานคอยทำบุญอยู่ที่ส่วนกุศลไปให้พวกเปรตเหล่านี้ก็จะหิวโหวยร้องโหยหวนเสียงร้องของเปรตนั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่าไพเราะเพราะพิ้งขนาดไหนนอกจากในบางตำราได้บอกเอาไว้ว่ามันจะส่งเสียงร้องดังกรี๊ดเป็นเสียงวีดวิวฟังแล้วชวนวังเวงวิเวกมากว่ากันว่าที่เสียงมันดังกรีด เพราะเกิดจากแรงดันของลมจากผ่านช่องท้องจากปากที่เล็กเท่ารูเข็มก็เลยกลายเป็นเสียงอย่างที่บอกถ้าใครทำบุญหากจะอุทิศก็ขอให้กล่าวหรือออกนามพวกผีไม่มีญาติหรือบรรดาผีผีทั้งหลายรวมถึงผีเปรต ด, ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่หิวโหวยร่างกายผอมโซจนน่าสงสารและยังมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือเปรตนางวันทองในเรื่องขุนแผนเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่ถูกพระพันศาสั่งให้ประหารชีวิต นางวันทองได้กลายเป็นผีเปรตที่ไม่มีหัวหรือเปรตหัวขาดวันหนึ่งนางทราบข่าวว่าพระวัยวรนาลูกชายกำลังจะไปรบกับผู้เป็นพ่อคือขุนแผนเปรตนงวันทองกลัวพ่อกับลูกจะต้องฆ่ากันเองคอเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวกันไปเปล่าๆก็เลยออกมาห้ามทัพโดยแปลงกายเป็นสาวงามนั่งเล่นอยู่บนชิงช้าพราะรู้ว่าพระวัยชีกอเหมือนพ่อ น, นั่นแหละพระไวัยไม่ทราบความใน จึงจีบสาวงามที่ได้พบแม้เธอจะบอกว่าเป็นแม่หรือนางวันทองก็ตามพระไว้ก็ไม่ยอมเชื่อจนนางต้องแปลงเพศกลับเป็นเปรตอย่างเดิมเพื่อให้เห็นแจ้งประจักษ์ว่ากันว่าเปรตนอกจากจะมีรูปร่างผอมโซจนเห็นโครงกระดูกทุกซี่ยังสามารถแลบลิ้นยาวด้วยเท่ากับความสูงของตัวเองอีกด้วยเปรตน่าจะเหมือนกับผีธรรมดาสามัญทั่วไปคือกลัวพระกลัวเครื่องรางของขลังลองเจอเข้าเป็นแผ่นกระเจม เพราะผีกับพระไม่ถูกกันอยู่แล้วเหมือนงูกับเชือกกล้วยยังไงอย่างนั้นแต่สําหรับผีเปรตนั้นท่านผู้รู้แนะนําว่าหากใครเจอระหว่างทางหรือเจอที่ไหนก็แล้วแต่ให้รีบบอกไปว่าไปที่ชอบที่ชอบเถอะหรือไปผุดไปเกิดซะเถอะและจะ อ, อุทิศส่วนกุศลไปให้เท่านี้ผีเปรตและผีทั้งหลายก็จะเลิกต่อแยหายตัวไปเลยและก็อย่าลืมทําตามสัญญานะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเจออีกเป็นรอบที่สอง เพราะคุณผีเข้ามาทวงส่วนบุญกุศลนั่นแหละผีเปรตหรือชาวอีสานเรียกว่าผีเพจ ถ, ถือกำเนิดขึ้นตามผลกรรมที่เคยได้กระทำเอาไว้สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตำราบโบราณกล่าวว่าเวลาที่เปรตตัวเดิมจะพ้นจากกรรมได้จะไปผุดไปเกิดได้จะมีเปรตตัวใหม่มาแทนมารับตำแหน่งแทนดังมีเขามาจากนิทานพระมลัยเรื่องหนึ่งดังนี้ยังมีมานพหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามิตรวินทุ อยากจะไปเที่ยวทะเลกับพวกค้าสัมภา์จึงเขี่ยวเข็นเอาเงินจากมันดาซึ่งเป็นแม่ไม้ใจบุญด้วยความเป็นห่วงลูกชายมันดาก็ขัดขวางมิตตวินทุปกติเป็นคนเกกมาเดะเกเรยอยู่แล้วจึงโกรธจนลืมตัวถีบจนแม่ล้มแล้วหนีไปเที่ยวทะเลจนได้แต่ผลกรรมนั้นตามทันทำให้เรือแตกมิตรวินทุว่ายน้าไปขึ้นฝั่งที่เกาะแห่งหนึ่งอันเป็นที่อยู่ของพวกเปรต แต่ช้ยหนุ่มกลับมองเห็นกองจากที่หมุนคว้างผาสีษะของพวกเปรตเหล่านั้นเป็นดอกบัวซึ่งประดิษฐ์เป็นมาลาสวมใส่ไว้อย่างสวยงามเห็นเลือดที่ไหล ย, ย้อยตามตัวเป็นสังวานใส่สร้อยเห็นพวกเปรตที่กำลังร้องควนครางยกมือยกไม้ชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บปวดนั้นเป็นการร้องรำทำเพลงอย่างมีความสุขมิตรตวินทุจึงเอ่ยปากขอพวกเปรตพวกเปรตม่รู้ว่ามีผู้มารับกรรมหรือรับช่วงต่อ แสดงว่าผู้ตนได้พ้นจากกรรมที่เคยกระทํำเอาไว้แล้วก็ดีใจรีบยกให้อย่างไม่ลังเลจึงเป็นที่มาของคําพังเพยไทยที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวทางภาคใต้มีผีอยู่ชนิดหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าผีหลังกลวงผีหลังกลวงเป็นผีที่มีรูปร่างลักษณะอย่างคนแต่ข้างหลังนั้นเป็นรูกลวงสามารถมองเห็นเครื่องในประเภทตับไตไส้ภูมิได้หมดมีหนอนยัเยอะเวลาใครก่อไฟผิงอยู่กลางแจ้ง ผีหลังกลวงจะทำทีเข้ามาขออาศัยด้วยแล้วก็หลอกหลอนแสดงให้เห็นอวัยวะภายในจากหลังที่กลวงบางทีมันแกล้งวานเด็กๆให้เกาหลังให้แล้วหลอกให้เห็นอวัยวะภายในหรือหลังที่กลวงซึ่งมีแต่กิ้งกือเต็มไปหมดผีพวกนี้ไม่ทำร้ายใครแต่จะหลอกหลอนให้ตกใจกลัวเท่านั้นเองว่าไปว่ามาก็มีผีประเภทอื่นแถมมากับพวกเปรตนะครับก็หวังว่าเรื่องเกี่ยวกับเปรตที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้ ทุกท่านที่ได้ฟังก็อาจจะนำไปคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตระหว่างที่ตนเองมีชีวิตอยู่นะครับเรื่องบางเรื่องเชื่อไว้ก็ไม่หนักหนาอะไรขอแต่ให้พวกเราประพฤติตนให้เป็นคนดีเราก็น่าจะพ้นจากอบายภูมิได้เช่นกันครับสวัสดีครับ